หารต่อไปเลยดีกว่านะสมาโรปะหาระสมาโรปะหาหะเนี่ยหมายคือว่าวิธียกธรรมะขึ้นด้วยหลักสอย่างมีประทัดฐานเป็นต้นเขาเรียกว่าเอาหลักสี่ประการเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยนะหลักการพิจารณาสี่ประการหรือว่าเรียกว่าวิธีเอาหลักธรรมสี่ประการเนี่ยนะหลักการ4ี่ประการมาวิเคราะห์ธรรมะ สมาโรปนะหาระเป็นชนัยในข้อห้าสบนี่ยนะบอกว่ายังมูลาเยเจกัตถาประกาศสิตามุนีนาธรรมมีศีลเป็นต้นเหล่าใดเป็นมูลของธรรมมีสมาธิเป็นต้นเหล่าใดอันนี้ชื่อว่าสมาโรปนะคือสมาโรปนะเนี่ยนะเป็นการพิจารณาประทับฐานพิจารณาเววะชนะพิจารณาป่าภาวนาพิจารณาปหานะนั่นเองเมื่อธรรมะที่เป็นเหตุใกล้อันหนึ่ง ถูกถือเอาด้วยสูตรธรรมะที่เป็นเหตุใกล้แห่งธรรมอันอื่นประมาณเท่าใดย่อมรวมลงในธรรมนั้นพึงยกธรรมะเหล่านั้นทั้งปวงขึ้นสู่เทศนาเหมือนที่กล่าวว่าเหตุใกล้ทั้งหลายอันเปิดเหตุใกล้ทั้งหลายเป็นอันมากย่อมอย่างลงในอาวะตะอาวะตะเนี่ยเป็นการหมุนหมุนกุศลและอกุศลไปตามประทับฐานอย่างสมท่ากุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเนี่ยกุศลอันนี้มาจากอะไร กุศลเหล่าน ouais ี้เกิดจากโยนิโสมนสิกานแล้วโยนิโสมนสิการเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากไม่มีศรัทธาแล้วมีศรัทธาเกิดจากอะไรก็เกิดจากจากการฟังและการฟังมาจากไหนก็มาจากครบสัตว์บรุษครบสัตว์บรุษมาจากไหนก็จะอยู่ในปฏิรูปประเทศก็สาวสาวสาวสไปอย่างนี้ถ้าอกุศลน่ะอกุศลแจิตที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากอโยนิโสมนัสิการอโยนิโสมนสิการเกิดจากอะไรกิจากเพราะไม่มีศรัทธา ที่ไม่มีศรัทธาก็เพราะไม่ได้ฟังทำ น, นะที่ไม่ได้ฟังก็ไม่คบศัตร์บุษบางคนเขบอกเอา้าเขาก็ครบเขาก็ฟังนะทำไมจึงเป็นอกุศลใช่ผ่านตากับผ่านหูมาก็เลยแต่กุศลก็เลยไม่เกิดคือคนเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้คำว่าเขาก็ฟังเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ผ่านหูมาม า, มากไม่ได้ฟังมากก็คื อ, คอ น, นิยามของคําว่าฟังเขามีนะไม่ใช่ว่าวแววแวแวมานั่งอยู่ในห้องเรียนมานานอะไรเนี่ยแล้วเรียกว่าฟังมากไม่ใช่ แต่คำว่าฟังนี่ยามแค่ไหนสโสตาวัฏฐานปัญญาสุตตามพเยยานังเนี่ย น, นะปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วหรือเงี่ยหูฟังแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีกําหนดจดจําได้นั่นแหละเรียกว่าฟังอที่เหลือเรียกว่าผ่านหูแต่ก็เขามาเนี่เรียนธรรมะแรกๆนะให้มันผ่านตาผ่านหูไปก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเก็บทีหลังเอยนะแล้วบางคนก็จะอะไรนะมันจะเอาให้มันเข้าใจไปทุกคําเลยนะเป็นไปได้ไหม มอเขามายังงงว่าทำบุญอะไรมาเนาะเนี่ยถ้าใครอ่านแล้วฟังรู้ไปหมดบางคนก็เกินไปเหมือนกันรู้ไปทุกเรื่องเลยนะแต่ว่ารู้คนละเรื่องนเนี่ยกอเขาเข้าใจไหมเข้าใจอธิบายดูสิโอ้โหไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าหนักใจนะสัตว์โลกสาเทสตามหารัทิติกาจริงๆมาดูนะว่าการพิจารณาธรรมะเนี่ยพิจารณาโดยประทัฐานประทัดฐานกับอวัตตานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนแต่ว่า ถ้าอาวัตะเนี่ยถ้าพูดกุศลก็เอากุศลเนี่ยสาวไปหาเหตุใกล้แล้วก็พลิกกลับไปมองที่อกุศลแล้วเหตุใกล้ของอกุศลเนี่ยคืออะไรก็มีการสาวสาวสา ว, สาวไปเรื่อยๆสาวเรียกว่าอารุยหาอรุยหาโอรุยหาอรุยหาสาวขึ้นสาวลงไปตลอดอย่างเงี้ยเรียกว่าประทัดฐานคือเหตุไกลเววจนะก็คือถ้อยคําที่ใช้แทนสิ่งนั้น น, นะว่าไวยพจน์คําไวยพจน์คือคําที่ใช้แทน เช่น um คนเดียวเรียกชื่อน really ี้ได้ไหมก็บอกว่าก็บอกอะไรนะบางคนนี่บอกชื่อจริงไม่รู้จักถ้าบอกชื่อเล่นไม่รู้จักบางคนนี่บอกชื่อเล่นไม่รู้จักถ้าบอกชื่อจริงเรารู้จักก็คือคาที่ใช้แทนอ่ะคำที่ใช้แทนสิ่งนั้นนั้น่ะนะบางคนนี่พูดภาษานี้ไม่เข้าใจต้องไปพูดอีกภาษาหนึ่งอย่างสับสับเดียวกันเนี่ยนะอย่างเอาเอาสับเดียวกันเรื่องเดียวกันอย่างอะไรดีปาเหวกับประชาอย่างเงี้ยนะ ทางไปปลาเฮี้ยวก็บอก่าคนเหนือกลัวผีขนลุกเลยก็ใช้ว่าปลาเฮี้ยวไงคนใต้ฟังแล้วเฉยเฉยบอกว่าปลาเฮี้ให้คนใต้ฟังบอกเขาใชยเฉยบอกปลาช่ากันนะเขาว่าอันเดียวกันอันนี้อีกในหนึ่งศับสับเดียวกันเนี่ยนะมันแค่ว่าสิ่งเดียวกันสามารถใช้ได้หลายชื่ออันนี้เรียกว่าไวายพศคือเววจนะเนี่ยนะอวิชาเขาเถียงกันว่าอวิชากับโมหะไม่เหมือนกันเขาบอกงั้นใช่ไหม เหมือนกันหรือเปล่าที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเนยนะบางคนก็อวิชาโมหะความหลงเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปภาวนาภาวนาคือหมายความว่าสิ่งที่ต้องเจริญถ้าเจริญสิ่งที่เจริญอะแล้วสิ่งที่ถูกละคืออะไรอัน น, นัคือถ้าพูดถึงว่าถ้ามีศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นควรเจริญสิ่งที่ถูกละเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นคืออะไร ก็คือความไม่มีศรัทธาเป็นต้นคือในสิ่งเดียวเนี่ยนะใช้หลักการสี่ประการในการพิจารณาเรียกว่าสมารโรปณะหระสมารโรปณะหราจริงจริงแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอก ก, ก็เอาหาระที่เคยเรียนผ่านๆมาเนี่แหละมาประกอบกันเรว่าในสิ่งเดียวมองพร้อมกันสี่หาเลยระมาัน้นเลยมองพร้อมกันสี่ประการด้วยกัน ่ยกตัวอย่างในสี่ประการสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งประธานสองเววะชนะสามภาวนาสี่ปหานะในสี่ประการนั้นการยกขึ้นด้วยประฐานยกคือประฐานประฐานแปลว่าเหตุใกล้เหตุใกล้ของสิ่งนั้นคืออะไรอย่างพุทธพจน์ในโอวาปาติโมกสัพปาปัสสะการนังกุสละโซปสัมปทาสจิตตรปโยทปนังเนี่ยนะการไม่ทําบาปทั้งปวง นนะสัพปาปัสสะการนังกุสลสูปราสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสจิตประโยทะปนังการทําจิตของตนให้สะอาดโดยรอบเอตังบุ dana ซ า, าสนังเนี่ยนะสามประการนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอะไรเป็นเหตุใกล้ของคําสอนอันนี้เหตุใกล้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คืออะไรคือสุดจริตสาม เหตุใกล้ guys, ที่ทำให้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คือสุจริตสสุจริตสมีอะไรบ้างกายะสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตอันนี้เป็นประฐานของคําสอนเป็นเหตุใกล้ของคําสอนคือที่พระพุทธเจ้ามาสอนอย่างนี้ต้องการให้ประพฤติสุจริตเพรางั้นเถอะผลสุจริตนี่แหละเป็นเหตุให้พูดแบบนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีสุจริตไม่รู้จะสอนอย่างนี้ทําไมเอาแล้วสุจริตเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรกายะสุจริตวจีสุจริตเป็นสีละขัน กองแห่งกองแห่งศีลคือกายสุจริตแล้ววจีสุจริ็ดนั้นกายวาจาจึงเป็นศีลพรันคําพูดที่เราพูดทุกคําเนี่ยเป็นพร้อมที่จะเป็นศีลได้หรือยังศีลนํามาซึ่งองวิปติสารใช่ไหมคนที่ใช้คําเป็นเนี่ยนะพูดทั้งวันก็ไม่ไม่ฟุ้งไม่ไม่ไม่ต้องมาลําบากใจเพราะต่อยคำบางคนพูดคําเดียวแค่นั้นเราลำบากใจไปสามวันเนี่ยนะมันก็ขยับทางกายก็เหมือนกันกายวาจาการขยับตัวเนี่ย ทำยังไงที่จะไม่ต้องเดือดร้อนใจในตอนหลังการทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นกุศลเรียกว่าเป็นศีลเพราะศีลเนี่ยสามารถที่จะรองรับคุณความดีต่อไปอันคําพูดที่เราพูดหนึ่งคออกไปเนี่ยรองรับความดีต่อต่อไปได้ไหมสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นเป็นฐานรองรับคุณธรรมต่อต่อไปได้ไหมถ้าได้อย่างนี้เนี่ยเป็นศีลกายวาจาใดกายวาจาใดที่สามารถรองรับคุณธรรมต่อต่อไปได้กายวาจานั้นเป็นศีล เอาให้มั่นใจเลยนะว่าสิ่งที่ทําอยู่นี่รองรับมัดผลได้ น, นะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดรองรับฌานสมถะวิปัสสนาได้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นศีลทันกายวาจานั้นเป็นศีลหมายถึงกุศลที่มีอ่ากุศลที่เป็นสมุทฐานแห่งกายและวาจานะอนาพิชากับอัพยาบาศความไม่เพ่งเล็งเนี่ยนะกับไม่พยาบาทมโนสุจริทอันนี้เป็น สมาธิขันสมาธิขันกองแห่งสมาธิวันถ้าใครฝึกสมาธิก็คือเจริญอาณพิชากับเจริญอภพยาบาทนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาขันเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือสุจริตสาทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือสุดจริตสาเป็นเหตุใกล้ของคําสอนเป็นประทัฐานของคําสอนพระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้นะ ศีลกับสมาธิเป็นสมถ ะ, ะถ้าถ้ากล่าวโดยกรรมบทเนี่ยนะกรร 10, กะกรรมบทมีมีสิใช่ไหมกุศลกรรมบทมี10บกายสุจจริต3วจีสุจจริต4มโนสุจจริตสนนะเว้นข้อ10บเซียเข้อที่เหลือเป็นสมถ ะ, ะนนะถ้าทําได้ดีนะกายเจตนาที่เว้นจากปานาติบาสอันนี้ก็เป็นความสงบนะไอ้คำว่าสมถะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความสงบ คือไม่ต้องเดือดร้อนเร่าร้อนคือคือต่างจากไม่สงบเช่น zaman, ถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยนะฆ่าแล้วแต่ว่าถ้าฆ่าใหญ่มากก็ร้อนมากถ้าฆ่าเล็กน้อยก็อะไรนะร้อนน้อ ย, อยนะก็ดูที่ว่าเจตนาแห่งการฆ่าเป็นเหตุให้ไม่สงบเป็นเหตุให้เร่าร้อนเจตนาในการถือเอาสิ่งของผู้อื่นก็เป็นเหตุให้เร่าร้อนเป็นเหตุให้ไม่สงบเจตนาในการประพฤติผิดในการม ก, ก็เป็นเหตุให้ไม่สงบ เจตนาแห่งมูสา ว, วาทก็เป็นเหตุให้ไม่สงบเจตนาที่ทําให้คนอื่นแตกกร้าวรานกันก็ไม่สงบเจตนาที่พูดคําหยาบก็ไม่สงบเจตนาที่พูดเพ้อเจ้าก็ไม่สงบแล้วก็ความโลภความต้องการความต้องการเนี่ยนะไอ้ความต้องการด้วยอํานาจอากุศลหรือด้วยอํานาจโลภะอันนี้ก็เป็นความไม่สงบความโกรธความขุนเคืองก็เป็นความไม่สงบถ้าตรงกันข้ามน่ะเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเจตนาที่เว้นจากการรัก เจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในการเจตนาที่เว้นคําพูดเท็จเจตนาที่เว้นจากคําหยาบเจตนาที่เว้นจากคําพูดเพ้อเจอ้อสอเสียดเนี่ยนะเจตนาที่เว้นจากเราเข้าไปอนัพิชาความไม่โลภกับความไม่กโกรธอันนี้เป็นความสงบเนี่ยนะเป็นสมถะเป็นความสงบบรรถ้าประพฤติกายยสุดจริตได้ประพฤติวจีสุจริญได้เป็นสมถะเป็นความสงบเนี่ยนะ ในทางธรรมะนั้นไม่ถือเอาอิริยาบถนะเป็นสมถะนะ ว, ว่าเขาบอกเขาเป็นนักเจริญสมถะเขาทำยังไงเขานั่งเขานั่งมากก็เลยเรียกว่าเจริญสมถะเพราะนั่นไอ้คำว่านั่งไม่ได้แปลว่าตัวสมถะเนี่ยเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ยืนใช่ไหมสมถะไมหม น, <laughs> นั่งดูทีวีส่วนใหญ่ใช่ไหมนั่นสมถะมันตัวนั่งไม่ใช่ตัวสมถะแต่ตัวศีลตัวสมาธิตัวนั้นเป็นตัวสมถะเนี่ยนะ ปัญญาขันสำ ม, มาทิฏฐิตัวนั้นแหละเป็นวิปัสนาเพาะะนันธ์ศีลสมาธิสมถวิปัสนานี่แหละเป็นเหตุใกล้ของคําสอนอ น, นะคือพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็สอนเพื่อให้มีมีอะไรมีสุจริตสามสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาสอนให้เจริญสมถะและวิปัสนาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะสอนทําไมว่าสัพพปาปะสาการัง ปุสละสูประสัมปทาสจิตตะปรโยธาปนังเนี่ยนะปัญหาเหตุผลที่สอนอย่างนี้ทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดสุจริตสาคือเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสุดจิตสามีศีลสมาธิปัญญาเจริญสมถะและวิปัสสนาดีอยู่แล้วพระองค์ก็สอนให้สัตว์อื่นเขาเป็นอย่างนี้เมื่อพระองค์สอนอย่างนี้แล้วคนอื่นจะได้เจริญสุจริตสามเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมนุสุจริตเจริญศีลสมาธิและปัญญาอบรมเจริญสมถะแล้ว วิปัสนาถ้าเจริญสมถะผลของการเจริญสมถะที่เต็มเปี่ยมเจโตวิมุติเป็นที่สำรอกราคะถ้าผลของวิปัสนาที่เจริญบริบูรณ์เป็นปัญญาวิมุติที่สำรอกอวิชชาเพราะจุดจบของคำสอนเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เจโตวิมุติกับปัญญาวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้ สำรอกราคะสำรอ c อวิชชาได้หมดเลยก็คงพอมองออกอนะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีราไ ร, เ ป, เ, รเป็นเหตุใกล้แล้วก็คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุใกล้แห่งอะไรนะเขาบอกว่าถ้าตั้งคำถามในะทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนี้อันนี้ก็น่าถามอีกในหนึ่งก็ถามว่าเมื่อสอนอย่างนี้แล้วให้มีผลต่อไปอย่างไร ถ้าถ้าเราฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะเราจะอ่านพระไตรปิฎกจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฝึกถามบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงนะถามจนจนกว่าจะเข้าใจนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่ไม่ฝึกสอบสวนถามแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะไอวิจัยญาณาะเราก็ไม่ดีนะ่ยเราต้องขยันฝึกขยั น, ข ย, นขยันที่จะฝึกคิดฝึกตรึกฝึกพิจารณาตามคําสอนนี้ให้บ่อย การมคุณห้าเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของตันหาว่าจริงๆเลยนะกามคุณทั้งห้ารูปสวยกามคุณห้าเนี่ยนะคำว่านิยามของกามคุณแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ารูปเสียงเกลิ่นรสโพธพภะที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้ า, า, น า, น า, นาพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนี้เรียกว่ากามคุณ กรมคุณคือรูปที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดเสียงที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกลิ่นรสโพธพภะที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่า ก, ากามคุณหกามคุณหก็คือตัวปิยรูปสาตรูปตัวความงดงามของสีความไพเราะของเสียงความอะไรนะ ความน่าชื่นใจของกลิน่นรสชาติของรถที่น่าดีๆแล้วก็โพธิภพที่ที่ดีๆเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของตัณหาเป็นเหตุใกล้ของความตัณหาแปลว่าอะไรสินตัณหาสินหงก็คือเป็นเหตุใกล้ของยางเหนียวอ่ะนะยางเหนียวก็คือความผูกพันความติดใจแล้วก็ความติดข้องวนะคืออะไรวณะัะคืออะไร การมคุณห้าตัวนี้รูปเสียงกลิ่นรถโพธิภพ ท, ที่น่าปรารถนาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันคือป่าชัดๆเลยว่าน้นมันคือป่าว่างั้นส่วนตันหาเนี่ยก็คือวณถฐหมายว่าตัวที่มันงอกเงยมาจากป่าผลผลิตของป่าว่างั้นก็เหมือนกับว่าจริงๆก็มาจากสูตรบอกว่าเธอจงตัดป่าแต่เธอทั้งหลายจงทําลายป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ก็มาจากในคาถาธรรมบทนะ น, นะ พันคำว่าการมคุณห้านี่แหละเป็นวะณะวะณะแปลว่าป่าส่วนตันหาเนี่เป็นวะณะถะคือตัวที่เกิดจากหรือตัวที่เป็นผลพวงของการมคุณห้าการมคุณห้าเป็นเหตุใกล้ของตันหาการถือเอาโดยนิมิตเช่นถือว่าเป็นหญิงถือว่าเป็นชายอันนี้เป็นวนะณะเป็นเป็นป่า การถือเอาโดยอนุพยัญชนะลงในรายละเอียดอวัยวะน้อยใหญ่เช่นตาก็งามหูก็งามจมูกก็งามลิ้นก็งามกายก็งามอันนี้ชื่อวณัฐนไหมก็คือเรอว่าถือโดยนิมิตเป็นวณะถือโดยอนุพยัญชนะเป็นวณัฐหนะการถือเอาโดยนิมิตเนี่ยนะนิมิตตัคาหะเนี่ยน ะ, ะวณะคือการถือเอาโดยนิมิตเป็นเหตุใกล้ของวณทะ คือการถือโดยเอาโดยอนุพยัญชนะเช่นถ้าเราถือว่าเป็นหญิงเช่นถือว่าเป็นหญิงหรือถือว่าเป็นชายเสร็จแล้วก็ต่อตาก็งามนีนะผู้หญิงคนนี้ตาก็งามหูก็งามจมูกก็งามลิ้นก็งามกายก็งามหรือว่าเอาผู้ชายคนนี้ตาก็งามหูก็งามจมูกก็งามลิ้นก็งามกายก็งามเป็นต้นก็ใคร่ครวญคิดต่อไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าถือโดยนิมิตแล้วก็ถือโดยอนุพยัญชนะนิมิตตักคาหะแปลว่าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะคาหะ ก็คือถือโดยอนุพยัญชนะพราะการถือโดยนิมิตเป็นเหตุใกล้ให้ถือโดยพยัญชนะอายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกหกที่ไม่ได้ทําปริญญาหรือไม่ถูกกาหนดรู้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นวณนะก็ถือว่าเป็นป่านะถือว่าเป็นที่ที่ยังรกชัดอยู่สังโยชนที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกผูกตาไว้กับสีผูกหูไว้กับเสียงเป็นต้นเนี่ยนะสังโยชเหล่านี้เรียกว่าเป็นวณัถะ อายตนะที่เป็นภายในเป็นเหตุใกล้ของสังโยชน์อนุสัยชื่อว่าวณะปริยุทธฐานชื่อว่าวณัตห์ก็เนื่องจากมีอนุสัยนี่แหละจึงมีปริยุทธฐานวณะกล่าวคืออนุสัยนี้เป็นเหตุใกล้ของวณะถะกล่าวคือปริยุทธฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตัดแล้วซึ่งวณะและวณะะัตหเนี่ยนะตัดแล้วซึ่งป่าและก็สิ่งที่อาศัยป่าเกิดเนี่ยนะก็คือคําสอนนี้ก็ทำลายสอนให้ทําลาย ทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์เนี่ยนะสอนให้กําจัดทุกขศาสตร์และสมุทัยศาสตร์สอนให้กําจัดนี่กําจัดอย่างไรทุกกําจัดด้วยการกําหนดรู้สมุทัยกําจัดด้วยการล้าการที่เอามาวิเคราะห์ในลักษณะเนี่ยนะว่าหาเหตุใกล้อะนะสิ่งเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้และสิ่งเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรต่อไปการใคร่ครวนตามนี้แหละเรียกว่ า, าการ พิจารณาสมาโรปนะโดยประทัดฐานนะเพราะสมาโรปนะมีอยู่สประการใช่ไหมเรียกว่าวการยกขึ้นด้วยดีเนี่ยนะสมาโรประนะคือการยกขึ้นด้วยดีซึ่งประทัดฐานนั้นแต่ละอย่างแม้กระทั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาประทัดฐานของคําสอนเหล่านั้นว่าคําสอนเหล่านั้นมีอะไรเป็นประทัดฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้แล้วคําสอนเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะในสมัยก่อนผู้ที่เขาฟังทำ เ้าฟังออกเลยว่าคำเนี้ยแปลว่าอะไรคือคือคำว่าคำว่าแปลว่าอะไรเนี้ยแปลว่าอะไรคำสอนตรงนี้แปลว่าศีลคำคำพูดประโยคนี้แปลว่าสมาธิคําพูดประโยคนี้แปลว่าปัญญาคําสอนประโยคนี้เป็นกายสุจริทคาสอนประโยคนี้เป็นวจีสุจริทคาสอนประโยคนี้เป็นมโนสุจริทคาสอนประโยคนี้เป็นเป็นอะไรเป็นทุกขัตว์คำสอนประโยคนี้เป็น สมุทยัยศาสตร์คำสอนประโยคนี้เป็นนิโรศจักรคาสอนประโยคนี้เป็นมัามมาคคสัตคําสอนประโยคนี้เป็นมัคคสัตประเภทสัมมาทิฐิคําสอนประโยคนี้เป็นสัมมาสังกัปปะนะคำสอนกลุ่มนี้เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้คําสอนกลุ่มนี้เป็นธรรมที่ควรละเขาจะฟังและเข้าใจแล้วก็ไปเจริญตามนั้นเนี่ยนะเจริญตามวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเพื่ออะไรเพื่อสํารอกราคะเพื่อสํารอก อวิชชาเพื่อสำ ROC อ, อวิชชาและภวะตันหาถ้าสำ ROC อ, อวิชชาและภาวะตันหาได้สังขารก็ดับใช่ไหมถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปเป็นต้นก็จะดับวัตทุก์ก็เป็นอันดับด้วยประการอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็จะฟังออกเลยนการหาประทัดฐานแบบนี้นะทำให้เราศึกษาคําสอนด้วยความอะไรความเข้าใจคงจะมีขึ้นใช่ไหม ฝังตับอย่างน่นะสัมปยุตมันพอมีบ้างเ่ยนะ อ, ยอ่านตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเลยเนะี่ยนี่มาศึกษาเววชนะบ้างถ้อยคำที่ใช้แทนไวยพจน์คือคำที่ใช้แทนเช่นราคะวิราคาเจโตวิมุตตับเสกขผลอันนี้คือคือความหมายเหมือนกันนะราคะวิราคาเนี่ยนะวิราคา วิราคาตัวนั้นแปลว่าสำรอกสำรอกราคะคําว่าสำรอกราคะคําว่าเจโตวิมุตคําว่าเสกขผลสามคำนี่คือสิ่งเดียวกันนั้นสิ่งเดียวกันนะเอาใหมาา่วิราคะแปลว่าสำรอกราคะเจโตวิมุตและเสกขผลสามคำนี่เป็นสิ่งเดียวกันต่างกันโดยทยัญชนะต่างกันโดยคําพูด อวิชาราวิราคาแปลว่าสำรอกอวิชาคำว่าสำรอกอวิชาคำว่าปัญญาวิมุตคำว่าอาเสกขผลสามคำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันต่างแค่คำพูดเรียกอะไรนะเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองแต่ความหมายไม่ต่างกันราคะวิราคาเจโตวิมุตกับอนาคามีผลอันนี้ก็มีความหมายเท่ากันสำรอกราคา เจโตวิมุตต์อนาคามีผลคือสิ่งเดียวกันอวิชาวิราคาการสํารอกอวิชชาปัญญาวิมุตต์อัคคพลอรหัตตผลสี่คำนี้มีความหมายเหมือนกันสํารอกอวิชชาปัญญาวิมุตต์อัคคพลคือผลอันเลิศ ก, กับอรหัตตผลสี่คำนี้คือสิ่งเดียวกันไม่ต่างกันโดยอัถะแต่ว่าต่างกันแค่พยัญชนะเนี่ยนะต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นเอง ราคะวิราคาเจโตวิมุตตกามาธาตุสมะอขอไกามาธาตุสมติกมณะแปล ง, ง่ายๆว่าการก้าวล่วงกามาธาตุการสำ ROC ร, ราคะความหลุดพ้นทางใจกับการก้าวล่วงพ้นกามาธาตุอันนี้ก็มีความหมายเท่ากันต่างกันแค่เป็นพยัญชนะเป็นไวยพจน์เป็นคำที่ใช้แทนกันเท่านั้นเองเอาไหมนะ การอะรสัราะราคะเจโตวิมุตติการก้าวล่วงกามธาตุกามธาตุสมติกรรมณะเนี่ยนะแปลว่าการก้าวล่วงกามธาตุเนี่ยมีความหมายเท่ากันอวิชาวิราคะปัญญาวิมุตติกับเตธาตุสมติกรรมณะหมายคาอว่าอวิชาการสํารอกอวิชาการหลุดพ้นด้วยปัญญาการก้าวล่วงธาตุสคือกามธาตุรูปธาตุอรมณธาตุมีความหมายเท่ากัน มีความหมายเท่ากันไม่ต่างกันเราดูปัญญาศัพปังปัญญินริยัพปัญญาปัญญินรีปัญญาพละอาทิปัญญาศิขาปัญญาขันธรรมวิจยาสามโพชฌงอุเบขาสามโพชฌงยานะัพสัมมาทิฏฐิตีรนะณะสันตีรนะณะหิรีวิปัสนาธ ร, มมธรรมยานธรร ม, มยานก็คือธรรมยาน ทั้งหมดนี้ก็เป็นไวยพจน์ของปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคําที่ใช้แทนกันพูดแล้วก็ไม่ได้มีความต่างกันอะไรต่างกันแค่คําพูดต่างกันแค่เวลว่าคำพูดฉะนั้นเรียกว่าอัตถะเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะคําพูดที่ใช้แทนกันนะพันธ์ก็สับสับเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเราจะเข้าใจได้ก็ต้องอ า, อาศัยสับหนุนใช่ไหมเรื่องเดียวกันเนี่ยหาศัพท์อย่างอื่นมาพูดเพิ่มเยอะๆ ลักษณะเนี่ยถ้าใครที่ชอบเววัจนะเนี่ยนะถ้อยคําที่ใช้แทนคําไวัยพ์ของการและการคําที่ใช้แทนการเนี่ยดูจุลนิเทศกับมหานิเทศเนี่ยจะเข้าใจเพราะว่าสัพ์เดียวในจัตที่บายโลภะสราคะตันหาเป็นต้นเนี่ยโอ้ยโลภะนี่ร้อยกว่าคำชอบศรัทธาคําไหนก็เอาไปเะไม่น่าศรัทธาสักคำหนึ่งไหมคำว่าไม่น่าศรัทธาหมายคำว่าไม่น่าปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นสักไหมแต่คําเดียวอย่างนั้นแต่หมายเขาว่าโหศรัทธาที่ท่านแสดงได้อย่าง กว้างขวางการยกขึ้นมากล่าวดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าเววัจนะไวพ์ไวพจนะบรรดาสมาโรปนณะเหล่านั้นมาดูภาวนาบ้างภาวนาทัวนะสมาโรปะณะการยกซึ่งอะไรมัง่งยกธรรมะกี่อย่างสอย่างมีอะไหนึ่งประทัดฐานสอง<ม>เววจนะสาภาวนาสปหานะ มาดูภาวนาบางการยกขึ้นด้วยภาวนาเป็นไนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นอ่ะคือเหตุอะไรเพราะเหตุนั้นอ่ะนะคือเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในวิสัยแห่งบิดาของตนอย่าเที่ยวไปในวิสัยแห่งใคร สายแห่งมารหรืออีกนายหนึ่งเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งถาว่าจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็คือการเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในในในศาสนานี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละปฏิบัติตามนี้นะก็คือให้เจริญกายานุปัสนาสติปทาน มีความเพียรคืออาตาปะเนี่ยนะมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสมาดูว่าอาตาปีหมายถึงอินทรีย์อะไรพุทธพจน์ในว่ากาเยกายานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกะอภิชาโทมนัสสังเ น, นี่ยนะถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยส่งข้อลงอินทรีย์ซิได้อะไรเพราะอินทรีย์มี5อย่างให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญาสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีและปัญยินีอาตาปีเป็นวิริยินีสัมปชาโนเป็นปัญยินีสติมาสตินีวินยะโลเกะพิชาโทมณสังเป็นสมาธินีอาตาปีนี่มีความเพียรนะมีความเพียรทำกิเลสให้เร่าร้อนอันนี้เป็นชื่อของวิริยินีสัมปะชาโนผู้มีอะสัมโมหสัมปัญญะเป็นต้นอันนี้ก็เป็น อัญเชีย์สติมาแปลว่ามีสติหมายถึงสตินีกำจัดอภิชาและโทมนัตนะญญาโลเกอพิชาโทมนัษสงหมายถึงสมาธินีเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้สติปัฐานสีย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนา นะถ้าเจริญตามนี้จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตมากไปด้วยวิเป็นผู้ที่มีวิริยินทรียมีปัญญรีมีสตินรีมีสมาตินรีถ้าอบรมเจริญอย่างนี้สติประฐานสีก็ถึงความบริบูรณ์ด้วยอํานาจภาวนาเพราะเพราะอะไรเพราะอินทรียสีมีลักษณะเหมือนกันมีลักษณะมีความหมายแนวเดียวกันมุ่งสิ่งเดียวกัน สติประฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วสัมมัปปธานสี่ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อสัมมัปปธานสี่อันบุคคลเจริญแล้วอิทิบาทสี่ย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่ออิทธิบาท4อันบุคคลเจริญแล้วอินทรี่ห้าย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาโพที่ปักขียธรรมอันเป็นส่วนแห่งอริยมรรคทั้งปวงย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาด้วยอาการอย่างนี้ถามว่าเพราะเหตุอะไร ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ล่ะก็เพราะว่าโพธิปัจจะธรรมทั้งปวงที่ทถึงอริยมรรคเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันด้วยลักษณะการนําออกจากวตาโพธิปัจจยธรรมทุกอย่างเนี่ยนะเป็นนิยานิกรรทัมนำออกจากวตาทุกขเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แห่งภาวนาเพราะมีลักษณะเหมือนกันอันนี้เป็นการยกขึ้นสู่ภาวนานะถ้าเจริญภาวนาถูกต้องจริงเนี่ยนะมันคุณธรรมอย่างอื่นจะตามมาหมดเลย นะถ้าเจริญสติประฐานถูกต้องจริงสมภิษประธานอิธิบดทอินทรีย์พระพุทธชงองค์มักก็จะเจริญการเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็จะมีขึ้นเมื่อเจริญสิ่งที่ควรเจริญอย่างนี้จะมีการกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้จะมีการละสิ่งที่ควรละและมีการทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณธรรมที่นําออกจากวัตถเหมือนกันเ น, นี่ยนะเป็นการเจริญภาวนาเหมือนกันสรุปว่าถ้าเจริญถูกนะมันจะไม่ขัดกันเอง ถ้าเจริญผิดแนละมันยุ่งไปหมดเลยมันขัดกันเองเพราะั้นการภาวนาเนี่ยนะถ้าภาวนาที่ถูกต้องเจริญที่ถูกต้องนํามาเสื่งความเจริญแล้วก็นํามาเสื่งการออกจากวะตะัตฏะเนี่ยนะท่านตัวที่ภาวนาก็คือโพธิปัจจัยธรรมโพธิปัจจัยธรรมเนี่ยนะไปถือว่าเป็นรัตนะในศาสนานี้แล้วก็โพธิปัจขัยธรรมนี่ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ ทิ้งมรดกคือโพธิปัจขิยธรรมทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาะความเจริญในาศาสนานี้ก็ปรารถนาะที่จะเจริญโพธิปัจขิยธรรมให้โพธิปัจขิยธรรมเนี้ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่มาดูปหานะบ้างปหานะการยกขึ้นด้วยการละทวนอีกครั้งนะสมาโรโอปณะแปลว่าการยกขึ้นด้วยหนึ่งประทับฐานสองเววัจนะสาภาวนาสี่ปหาณนะละแล้วไนงะ ถ้าเจริญถูกละอะไรล่ะบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละวิปลาสว่า ง, งามในสิ่งที่ไม่งามคือปกติเนี่ยนะกายเนี่ยวันยังค่ํามันก็ไม่งามวันยังค่ํานั่นแหละปกติแล้วมันไม่งามแต่มันวิปลาสแปล ว, ว่าวิปริตว่า ง, งามเมาไปเองนั พันธาพิจารณาตามนี้จริงก็ต้องยงยียวยละวิะละสุภวิปา萨ได้กับพลิงกราหานย่อมถึงการกําหนดรู้แก่บุคคลนั้นถ้าบุคคลบอกว่าพิจารณากายมากพิจารณารูปมากกายนี้เกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะอาหารเกิดมันจะต้องมีการพิจารณากับพลิงกราหานบุคคลนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ยึดด้วยกามุปาทานไม่ยึดถือด้วยกามุปาทานว่างาม เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกามโยคะผูกพันเนี่ยนะไม่ประกอบด้วยอภิชากายคันทะนะคือเรียกว่าเครื่องผูกคือคืออภิชาเป็นผู้ไม่มีอาสะวะด้วยกามาสะวะเป็นผู้ข้ามกามโมคะเป็นผู้ไม่ถูกแทงด้วยลูกศรคือราคะวิญญาณทิตินะที่ยึดถือในรูปวิญญาณที่ตั้งอยู่ในรูปย่อมถึงการ ย่อ ย, ยับแตกสลายไปย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นคือใครที่ที่ที่เจริญกายานุปัสนาเนี่ยนะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ถ้าเจริญถูกจริงจะต้องละสุภวิปลาดได้นะต้องละความสําคัญว่า ง, งามได้นะวิญญาณก็เลิกตั้งในรูปสักทีหนึ่งเลิกตั้งในรูปเมื่อเลิกตั้งในรูปก็นะ เป็นเป็นผู้ที่กำหนดรู้กับพลิงการะาหานกำหนดรู้เพราะว่ากับพลิงการะหานเป็นตัวที่ทำให้รูปจเจริญเติบโตขึ้น น, นะกามุ ป, ปาทานกามโยคะอภิชากายคันทะกามาสวะกามโมคะลูกสอนคือราคาระก็ย่อมถูกอันละไปพันราคะที่ยินดีในรู ป, ปรภูมิ คือภูมิที่มีรูปยึดติดในรูปย่อมหายไปและบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงฉันทาคติจะไม่ลำเอียงด้วยอำนาจตัณหาจะไม่ลำเอียงด้วยอำนาจราคะมันสรุปว่าถ้าเจริญกายานุปัสสนาจริงเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยนะเครื่องตรวจสอบถ้าเจริญไม่ได้เจริญกายานุปัสสนาจริงเนี่ยถามว่าเออเนี่ยกำหนดรู้รูปมากๆเนี่ยนะพิจารณากายมากมาก ยังเมา อ, อยู่หรือเปล่ายังวิปลาสอยู่ไหมถ้าวิปลาสอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญอะไรเลยถ้าละวิปลาสได้แสดงว่าจเจริญกายานุปัสนาจริงแล้วกําหนดรู้กกะพลิงการาหานบ้างไหมบอกถ้าคุณกําโนรู้กับพลิงการาหานจริงก็แสดงว่าเออเจริญกายานุปัสนาจริงบางคนก็บอกว่าเข้าเนี่ยเจริญแต่กายานุปัสนาก็ว่านั้นเอาก็ถามว่าละวิปลาสอะไรได้บ้างแล้วละสุภาพวิปลาสในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นได้หรือยังถ้ายัง ไม่ใช่แน่นอนแล้วกำหนดรูก้กับพลิงกระาหารอะไรบ้างไหมเพราะอาหารเกิดผมจึงเกิดเป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่มีอาหารเป็นต้นผมจะอยู่ได้ไหมเพราะอาหารเกิดผมจึงเกิดเพราะอาหารเกิดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นจึงเกิดขึ้นยังมีกามูปาทานอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะที่ถูกปาทานสีละพตุเขากามูปาทานกามโยฆะอภิชากายคันถะกามาสะวะกาโมฆาลูกสอนคือราคา กามาสะวะกาโมคะลูกศรคือราคะยังยังอยู่ไหมใจเนี่ยวันๆเนี่ยตั้งอยู่แต่กับรูปเลยใช่ไหมคิดถึงแต่รูปเลยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะเพราะสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกละไปใช่ไหมเพราะถ้าเจริญถูกสิ่งเหล่านี้ควรละไปราคะในรูปเนี่ยมีไหมใจวันวันหนึ่งพันอยู่แต่กับรูปใช่ไหมและใจเนี่ยนะเรียกว่าชั้นทาคติก็คือไล่ไปแต่ด้วยอานาจของ ตัณหาใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ได้เจริญกายานุปัสนาสติปทานแสดงว่าไม่ได้พิจารณาเห็นกายในกายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกละถ้าเจริญจริงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถูกละน่าเสียดายแย่เลยใชเอา้าทําไมอ่ะก็บอกว่าที่เขาเจริญนี่ก็เพราะว่าเขาเห็นโทษว่าถ้าเขาตามเห็นว่า ง, งามอะไรจะเกิดขึ้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตก็มาจาก สิ่งนั้นแต่ถ้าตามเห็นว่า ง, งามมากๆนี่จะบรรลุอริยมรรคได้ไหมไม่ได้จะทําท่านี้ผ่านให้แจ้งได้ไหมเลิกร้องให้ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะถ้ายิ่งตามเห็นว่า ง, งามเท่าใดตันหาที่เป็นเหตุให้ร้องให้ก็มากขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าสุภาพวิปัสสนาเี่เป็นเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาทเห็นเหตุแห่งโโกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาทนี่แหละจึงเจริญ กายานุปัสนาเนี่ยนะเพราะเคยเห็นบ้างไห้รูปใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวทุกขโทมนัและอุปาญาตไม่มีรอกเพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นคุณธรรมที่นำออกจากวิปลาลเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดการกาหนดรู้กับพลิงการะาหารันเป็นคุณธรรมที่ทำให้ไม่ยึดถือด้วยกามุปาทาน เป็นคุณธรรมที่ทําให้ไม่ประกอบอยู่ด้วยกามโยคะกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเจริญตามนี้จะไม่ประกอบด้วยอภิชากายคันธะจะเป็นคนที่ไม่หมักหมมด้วยอาสวะคือกามาสวะเป็นผู้ข้ามพ้นแล้วจากกามโยคะถ้าเจริญก า, านุปัสนาอย่างนี้ลูกสอนคือราคะจะไม่ทิ่หมหัวใจเนี่ยนะทิ่หมหัวใจแั้วเป็นยังไงเขาบอกว่าอะไรนะมีชา ด, ดกอยู่เรื่องหนึ่ง ดอกเรื่องนี้ก็มีฤาษีคนหนึ่งเป็นบิดาบัดกลับมาแล้วก็นอนป่วยเลยก็งั้นพระคุณเจ้านะฟ ร, ราชาเข้าไปเฝ้าพระคุณเจ้าเป็นอะไรก็บอกโอ้ยถูกลูกศรยิงอะไรลูกศรที่ไม่ได้เหลาด้วยก็งันปักอยู่ที่ใจก็งั้นก็จะเป็นลักษณะนั้นก็ถูกลูกสอนคือราคาเนี่ยมันปักอยู่นั่นแหละนะใจก็อะไรคิดถึงแต่รูป่ะคิดถึงแต่รูปนะคิดถึงแต่ภูตารูปแล้ว อุปาทายรูปนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ในรูปคิดวนๆอยู่แต่กับรูปนั่นแหละบุคคลนั้นก็ถึงฉันทาคติใช่ไหมอักติก็คือไปไม่ดีแล้วไปไม่ตรงแล้วเป๋แล้วเพราะตัณหาพาเปร <c oughs> หมดเลยนี่นะอักตินี่แปลว่าเปรก็ได้แปลว่าไปไม่ตรงแล้วโ <c oughs> คตแล้วบุคคลผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมละวิปลาสว่าเป็นสุข ในสิ่งที่เป็นทุกข์เขาบอกเข้านี่กําหนดรู้แต่เวทนาเวทนากําหนดง่ายง่ายถ้ากําหนดง่ายเนี่ยละสุขาวิปลาสได้ไหมเพราะคนที่จเจริญถูกต้องจะต้องเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกศอนเห็นอาทุกขข้ามาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือสรุปว่าไม่สําคัญเวทนาใดว่ามันเป็นสุขแม้แต่เวทนาเดียวเคยเห็นเด็กไข้ๆป่วยแล้วยิ้มแพ้ยิ้มไหมแล้วดีใจเลยใช่ไหม เ, เดี๋ยวมันก็ไข้ขึ้นองอะไรนะเพราะฉะนั้นเห็น ส, สุขเวทนาทั้งหลายเนี่ยเห็นใครนั่งยิ้มๆเนี่ยจะไปดีใจกับเขาเดี๋ยวเวลาพักเครียดออกมาเราจะรู้สึกเหมือนหน้าเดียวกันที่ยิ้มๆนี่แหละอลองโกรธ ด, ดูซิอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวก็แปลสภาพแปลงร่างนะจ ะ, จะลําบากะะถ้าถ้าเจริญดีจริงๆก็จะไม่ไปสําคัญในเวทนาเหล่านั้นมาดีอะไรห ร, รอกก็ละวิปลาสเลิกบ้าทันทีเหมือนกัน ภาษาหารย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นเพราะเวทนาทุกเวทนานี้มีภาษาเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะบุคคลนั้นก็ไม่ยึดถือด้วยพวุปาทานอ่ะนะใครที่ต้องการพบอยากจะเกิดในที่ดีๆเกิดในที่ที่ดีๆเนี่ยจริงๆอ่ะเพื่ออะไรรู้ไหม <Okay. S 1> เพื่อความสุขเนี่ยนะเมื่อเมื่อไปได้ในสิ่งที่ตัวเองมีดีนะจะได้มีความสุขไม่ใช่อะไรเราต้องการ ยึดถือพบนั่นพบนี้เกิดที่นั่นซีดีที่นี่ดียิ่งก็สแสวงหาความสุขนั่นและก็เลยเป็นผู้ที่ไม่ประกอบด้วยภาวะโยคะไม่ประกอบด้วยพยาปาทะกายคันเะคนเครียดคนมักโกรธในเพราะอะไรนะเพราะมันขาดความสุขคนที่มีความสุขมขาจะโกรธทำไมใช่ัหมคนที่แห้งแล้งความสุขทั้งหลายนี่จะโกรธบ่อยเป็นผู้ที่ไม่มีอาสะวะด้วยภาะวะสวะนะไม่มี เพคนที่ปรารถนาพบก็คือปรารถนาความสุขนะเป็นผู้ที่ข้ามพ้นพวคุคะไม่ถูกลูกแสลูกสรคือโทสะเสียดแทงเนี่ยนะังนะั้นคนที่โทสะนี่ก็เพราะว่าได้เวทนาที่ไม่สมประกอบก็เลยเดือดร้อนเลยวิญญาณทิตตั้งอยู่ในเวทนาก็ย่อมถึงการกำหนดรู้ราคะความยินดีในเวทนาของบุคคลนั้นย่อมหายไปบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงโทสะ เวลาเราโกรธจริงๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะ <m uch> ก็เกิดจากอะไรรู้ไหมก็เกิดจากทุกขเวทนาะเพราะว่าเวทนาเหล่านั้นเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสุขก็เลยโกรธส่วนใหญ่เราจะไม่โกรธในปยรูปสารูปจะโกรธในสิ่งที่มันนำมาซึ่งทุกอะจะไม่โกรธในอิทธารมนะแต่จะโกรธในอนิทธารมณ์โกรธในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเพราะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นมันนำมาซึ่งทุกเนี่ยนะมันนำมาซึ่งทุกก็เลย อะไรก็ตามที่เกี่ยวเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่าปร า, านานเดี๋ยวก็โกรธก็เลยเป๋ไปด้วยอานาจของโทสะเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดเนี่ยนะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นยากจริงเลยนะสรุปว่าเวทนานุปัสสนาถ้าเจริญถูกเจริญเป็นเจริญถูกต้องจริงๆเนี่ยคนนั้นจะไม่ติดในความสุขอะไรเพราะละสุขวิปราชเห็นแม้กระทั่งสุขเวทนาว่าเป็นทุกเวทนาทุกชนิดนับเนื่องอยู่ใน ทุกเวทนาทุกอย่างก็เป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์นะสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะวิปรินามะทุกข์นะนะอุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะสังขารทุกข์ทุกขเวทนายิ่งเป็นทุกขเพราะทุกขทุกทุกขทุกขนะนะอย่างงยมว่านะทุกขทุกขทแสดงว่ามันทุกซ้อนมากเลยนะทุกหลายชั้นมากนะแสดงว่าดับเบิลทุกขเลยนะทุกทั้งหลายเวทนาทุกเวทนามีอะไรเป็นเหตุใกล้ เวทนาทุกเวทนามีผัสสะเป็นเหตุใกล้ถ้าใครที่บอกเจริญเวทนานุปัสนาดีจริงเนี่ยนะจะต้องรู้แหล่งเกิดของเวทนานนะจะต้องรู้แดนเกิดของเวทนาแหล่งเกิดของสุขเวทนาทุกขเวทนาหรื อ, อทุกข์มสุขเวทนาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตาเพราะบ่อเกิดแห่งสุขทุกข์และอุเบกขามีบ่อมันก็คือตาอว่าบ่อคือตาเนี่ยนะเพราะตาได้ผัสสะนี่แหละจึงเกิดสุขทุกข์และอุเบกขา เพราะภาษาทางหูนี <t cynical> <spark> right Entonces, ่แหละทําให้เกิดสุขทุกข์และอุเบกขาเพราะภาษาทางจมูกนี่แหละทาให้เกิดสุขทุกข์และอุเบกขาเพราะภาษาทางลิ้นนี่แหละทาให้เกิดสุขทุกข์และอุเบกขาภาษาทางกายทําให้เกิดสุขทุกข์และอุเบกขาภาษาทางใจก็เพราะมาคิดนี่แหละจึงสุขทุกข์และอุเบกขา เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์ควาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจักสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปเนี่ยนเพราะว่ารูปทั้งรูปทุกชนิดเนี่ยนะประโยชน์ของรูปจริงๆก็นํามาซึ่งความสุขนั่นแหละเพราะฉะถ้าเห็นรูปโดยปฏิกูลเนี่ยนะจะยินดีในความสุขที่มาจากสิ่งเหล่านี้ไหมเขาบอกว่าแสงไฟเนี่ยปกตินี่งดงามใช่ไหมไฟเนี่ยนะดูดูสีทองๆสวยไหม ตัวไฟจริงๆนะจะดูสวยถามว่าถ้าไฟเผาศพเนี่ยจะดูสวยไหมเอา้าทำไมอ่ะถ้าหากว่าพิจารณารูปอย่างดีพอเนี่ยนะเวทนาที่เกิดจากรูปเราจะไม่คิดว่ามันดีอะไรหรอกเพราะรูปนั้ น, น่ะเป็นสิ่งที่เป็นของปฏิกูลความสุขที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลจะดีจากตรงมันดีมาตรงไหนมันดียังไงเนี่ยนะเพราะนจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเหล่านั้นก็คือ ความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ทาไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละและก็ในที่สุดนะความสุขเหล่านี้คิดหรือว่าจะไม่นํามาเสื่งความทุกข์นะนั้นความสุขมากเท่าใดจะนํามาเสื่งความทุกข์มากเท่านั้นนะเพราะจึงเห็นว่าแม้แต่ความสุขเหล่านี้คือสาเหตุแห่งความทุกข์ต่อๆไปถ้าความสุขเหล่านี้ขาดไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละ ในเช่ก็หนังสังเกตดูมีร่างกายเนี่บอกโอ้ยมันสบายจริงๆมันดีจริงจตอนไม่ป่วยเนี่พอมันป่วยแล้วจะเริ่มรู้แล้วโอ้ยมันทุกข์อะไรจะขนาดนี้ไม่น่าเกิดเลยเนี่ยเกิดมาทําไมก็อใหม่รู้พอมันหายนะเออเอาแล้วไม่เห็นอยากเบื่ออีกล้นะเพราะอะไรเพราะว่าติดใจในความสุขที่เกิดขึ้นในอาศัยกายนั้นถ้ากําหนดรู้เวทนาอย่างเพียงพอจริงๆก็จะเอ่อถ้าพิจารณาเวทนาจริงๆเนี่ยเขาพิจารณาที่วัตถุกับอารมณ์เนี่ยมาก อารมณ์เหล่านั้นเป็นวัตถุกับอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดเวทนาพันจะพิจารณาผลพวงของวัตถุและอารมณ์ก็จะเห็นว่าเวทนาเหล่านี้เกิดจากความทุกข์เนี่ยนะพันคนที่ละได้อย่างนี้เนี่ยนะก็กําหนดรู้ผัสสะภาสะทุกทวารทุกอารมณ์ก็กําหนดรู้หมดไม่ยึดถือในพบโดยประการทั้งปวงไม่เพลิดเพลินพบทั้งหมดเพราะว่าพบทุกพบก็นํามาซึ่งความทุกข์อีกอยู่ดี การขึ้นชื่อว่าการเกิดทุกแห่งความเพลิดเพลินในอารมณ์ทุกอย่างก็นํามาซึ่งความทุกข์อยู่ดีก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดนี่น่าเพลิดเพลินและติดใจมันก็กําหนดรู้จิตก็ไม่ตั้งอยู่ในเวทนาเรียกว่าเป็นคนที่หลีกออกจากเวทนาเนี่ยนะราคะในเวทนาก็ย่อมหายไประหว่าเลิกกาหนัดเลิกติดใจใน เวทนาก็บอกว่ามันทุกขเวทนาจะเกิดบ้างก็ไม่โกรธคนที่เจริญเวทนานุปัสนาดีจริงๆเนี่ยจะมีความอดทนสูงมากนะจะมีความอดทนสูงมากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะรู้จักเวทนาเหล่านั้นเป็นอย่างดีเมื่อรู้จักเวทนาเหล่านั้นเป็นอย่างดีจิตใจก็ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของเวทนาถึงจะสุขก็ไม่ได้เพลิดเพลินไปกับเวทนาถึงจะทุกขบ้างก็ไม่ได้ไปเศร้าโศกกับ ความทุกเหล่านั้นเนี่ยนะเขาจึงไม่ถึงโทสาคติส่วนจิตตานุปัสสนาก็คงรอตอนบ่ายนะ